แ้วกนั้นเขาต้องสอนเันป็นเรื่อง้างคะครับ่พูดอะไรตัวเมื่อสมัยนี้มันพระวัฒนามันยเอยอะแยะไปหมดใจที่ไหนก็เหนพร้วพัฒนาอันวิพัฒนามันเรื่องยอย่างี้วิปัฒนาแลว่าเหนแจ้งวิ่งต่างเตาล้วงภาวะเดินสมาชี้จุหมายขงการตั้งใจมั่นการทำพูดทิกมันมีในตานาน สมาธิแต่ว่าตั้งใจมั่นสบาอย่างนั้ต่อมันไม่ได้หมายถึงอาการของกายนี่โอเคกายนั่งนิ่งนั่งได้นานๆแล้วก็คนนั้นเป็นสมาธิเลยใช่ไม่ค น, น, นั้นออกสมาธิใต้โมหะอ่อ า, างที่ผมลก็เขามีโมบางคนผมเหม็นตอนนั่งได้24่สิบชั่วโมงไม่กะดุกกระดิเลยคุณให้ทันข้าว<ม>บางทีก็ทีหวันสิวันอย่างนี้เขาบอกว่าเขาทำสมาธิผัดนี่ก็ดีแต่ว่าผมอันนี้พูดงสมาธิตอนนี้นะครับ เมื่อผมไปจังหวัดเลยไม่กีวันเ ม, มือก็มีพระเงค์หนึ่งมีอาจารย์ที่เป็นมหาปริเวนประเวทห้ากวเนเขาทําสมาธิได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีฤกธิ์คนหนึ่งแล้วเขาทําได้ยี่สิบชั่วโมงเหมือนกันจะเป็นผู้หญิงฤกธิ์คนเขากําลังจะมาสร้างสํานักเผยแผ่สวดีนั่นงแต่อันนั้นสมาธิใกล้เมืองห่านะครับถ้าฤทธิคนไปทําสมาธิอย่างนั้นละเมืองไทยหอก ไปทำส ม, มาธิเหมือนเดิใครจะทามาเป็น ส, สวนไม่ต้องกินกันไม่ต้องกินแล้ ว, <แ S 2> ลวบางทีเอาถ้าทำสมาธิจากนั้นเหมือนเดิมเมืองไทยในท่าหักมีคนต้องการเอาไปเมืองขึ้นแต่ล้วถ้าหากรามมีสภาทางนแล้วนี่นัน้นเรจะไปอยู่ที่ไหนรคหรับลองคิดดูให้มันมีอะไรถ้าสภานคนไทยถือพุทธศาสนาสภาพร้อมกันทานทั้งหมดแล้วกับเมืองไทยไปยกให้คนอื่นปกครองแล้วก็เราจะไปอยู่ที่ไหนเป็นเมืองขึ้นเขาสบายไหมคุณคุไปเป็นเมืองขึ้นเขาเป็นวอาเป็นที่ฆ่าเขาจะเนี่ย จะพอใจไม่พอใจไม่พอใจจะไม่ต้องทำอย่างทีดซึ่งใครพูดก็่าทานทานมันให้อย่างนั้นทานหมายถึงการที่อภัยเท่านั้นเองคุณผู้ท่านว่าการทํำสมาี่กฎหมายถึงตั้งใจทําการทํางานทําพูดทุกอะไรให้มีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์สมบุกทั้งปัจจุบันและ คืออนาคตมันจะมีมาอย่างนั้น น, นี้เพื่อวิปัสนามองเหงนการใกล้กันครอย่างนี้ครับวิปัสนาถ้าจริงๆเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นี่ครับดันที่เขาทำกันนั่งคะดูครับผลก็ไม่ได้ปฏิเสธเขรากคนก็เคยทำเนี่ยกำลังเขาจะเผยแค่ว่านั่งได้วิ่งสี่ชั่วโมงเขาจะนั่งเจดวันเขาจะไม่กนนนินข้าอคุณคิอย่างนี้ก็คิดถึงพระพเจ้านะครับตอนนั้นพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะครับ เมื่อท่านมาทำศึกษากิริยาไม่ไม่ทานอาหารเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ํากั้นลมหายใจก็ไปไหนมาไหนไปได้ถ้าอย่างนั้นก็ได้เป็นพระอาหารก็คุณก็มันไม่ได้เป็นพระอาหารเลยครับเพราะพระเจ้าของเราเนี่ยแต่สมัยนั้นโกได้สมาบัตเตอร์นั่นก็ยังไม่เป็นทางเป็นทุกข์มันยังดับทุกข์ตลอดนะผมได้ยินมาแล้วผมก็ได้ยินหลายๆเมื่อสอนทำสมาธิให้นั่งสมาธิแล้ว กบริกรรมหรือว่าภาวนาอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่าต้องเห็นแสงเห็นสีนะต้องเห็นเทวดานะต้องเห็นพระพุทธรูปนะต้องเห็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับสมาธิมันจะต้องไปเห็นอย่างนั้นเห็นนี้นีะเป็นของนอกตัวโอ้มันได้อย่างนั้นเอาเข้าใจว่าเขาได้มีมิตรอะไรต่างๆอันนี้นีมิต้องคนโหลงครับนี่บอกคนมีโมหะโมหะจริตนีะครับคําว่ามีมิต สีแสงสีเทวดานั้นเป็นการคาดคิดที่กิเลสมันตกมากครับอ้ที่เล่มันตกมากเพราะเราไม่มีปัญญาเมื่อมีคมหลงในกิเลสมันตกมากได้มันก็ไปสแสดงรว ด, ดลายแล้วก็เลยไปตกคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งใจมันเพราะว่าอย่างในเรืเองของใจเรื่องของใจคํว า, จาว่ามนิตแปลว่าเครื่องหมายเพราะว่าอย่างเราก็เลยจะเอาเครื่องหมายถึงนสีแสงสีเทวดานะลกสวรรค์ถึงพระพุทธลูกอะไรลอยมาอันนั้นมีนิดโมหะ โลกก่เลสสดมากครับเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นเรื่องของการจูงแต่งจิตพาดเดาอเอาเองอถ้าอย่างนั้นก็คำว่าสมาธิหรือว่าคําว่าการที่ทําจิตใจสงบนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไปยึดสิ่งภายนอกที่เป็นรูปเป็นแสงเป็นสีอะไรที่ว่าเป็นมิมตรนะครับ อ, อยากจะให้หลวงพ่อได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องมิมตรนะครับเพราะว่า ม, มิตรเครื่องหมายที่กําหนดนี่มันเราจะไปเอาอะไรมนาะเป็นเครื่องหมายะครับหลวงพ่อช่วยด้วยครัเรื่องมิตรเป็นสมมาก เข้าใจคนว่าสีสีแสงสีเทวดานรกสวรรค์หรือพระพุทธรูปลอยมาอยู่ที่จิตที่ใจที่ไหนแล้วแตเขาจะพูดแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นนิมิตในทางพุทธกาสนาครับนิมิตโมนิมิตข่มหลงแบบโมห ะ, มห โ, มหะโตข่มหลงผิดเมื่ยหลงผิดมันก็ทำไม่ผูกพนันนะครับคำว่านิมิตเนี่ยครับคําว่าวิปัสสนาแปลาการถึงเรื่องนิมิตโดยเครื่องหมาย เครื่องหมายที่ตรงไหนเนี่ยครับคือเครื่องหมายนี่มันมีอยู่ด้วในทุกตัวของเราคือในขณะที่เราเคลื่อนไหวขึ้นใย น, นั้ น, น, น ăng, เราเคลื่อนตัวจะยืนขึ้นอันนี้แหละมีนี่มีตัวมีมิตรตัวว่ามีสติให้มีสติคอยติดตามเมื่อเราพลิกมือขึ้นรวบมือลงยกมือไปเอามือมา ก็ให้มีสติติดตามอันนี้ว่านีมมีนิมิตเร่เครื่องหมายเครื่องหมายให้สติอยู่ที่การเคลื่อนไหวนี่ครับอตรงที่ว่าเราจะทาอะไรก็ให้เอาจิตใจของเราไปกาหนดรู้อยู่ตรงที่นั่นยนะครับยังนั้นเนีอเราจะเดินไปยังยกขาขึ้นอย่างเี้ยก็เอาสติของเราเนี่ยไปรลลึกลงที่ขานี่นันแหลขาหรือว่าเอาเท้าของเรานั้นเป็นนิมิตะรนั่นะนมิเป็นสิ่งที่ว่าไปกำหนดนั่นน่ะเพราะภาษาทางพระพุทธเ้าทีนันว่านิมิตเราเครื่องหมายสมมุติว่าเราจะเอาไม้มาแต่งบ้านแต่งเรือน มีความต้องการไม่เพียงสองเม็ดและจะตัดเอามาจากสามเม็ดนั่นเพียงเม็ดนั้นก็ใช้งานอะไรไม่ได้เลยต้องการสองเม็ดแค่นั้นเองเมื่อพระพุทธเจ้าสอนเออันพอดีมีนม็ดแบบเครื่องหมายเมื่อเรามีสติรู้เทา่ารู้ทันการเคลื่อนไหวของร่างกายขึ้นทิศมือขึ้นรู้สึกครัวพร้อในตัวของเรานะเมื่อสมรู้จิตตัวอย่างที่เขาพูดไวในหลักธรรมท่านที่ว่าธรรมที่มีอุปกรล์มาสองอย่าง สติคนรู้ได้สัำตายชนะคนรู้เดียดให้ลึกได้ให้รู้ตัวอนนี้ว่าสติเป็นตัวเครื่องหมายคือเราคิดตาต้องให้มีสติรู้นี่เป็นเครื่องหมายอยู่ตพืนี้เพื่องว่าเลือกสติเข้ามายอยู่ที่นู้่ตัวเราเราหายใจเข้าหายใจออ ก, ออกให้มีสติรู้อันนี้เป็นเครื่องหมายของร่างกายภายนอกเนี่ยแต่สําหรับจิตใจนะเนี่ยคนอื่นมองไม่เห็นตแต่สําหรับมีนึก อันที่ผมพ่ดทุกมือขึ้นข้อมือลงยกมือไปเอามือมาเดินหน้าถอยหลังเอียงซ้ายเอียงหัวก้มเงยคิดป่าอ้าปากหายใจคนมองเห็นผมเป็นมิอมือภายน อ, อก อ, อันนี้เราจะเรียกว่ารูปมิอมืก็ได้เป็นได้เราสติอของเรามากําหนดรูปคเป็นมือมือร่องตายเนี่ยขาดดูร่ายที่พัฒนาดูต่างแลอปัจนที่ร า, า ย, ายเคลื่อนไหวคุยหยอกทาการทำงานนั่นเองอันนี้ก็ว่ามือมิอภายนอกขาด เพราะาระพุทธเจ้าสอนนอาว้ท่านจะมีสติทุกเมื่อเถิดควรตายถึงจะไม่ตามทานมั <สะ S 1> นนะครับเมื่อเรามีควมรู้สึกการทำพูดทุกอะไรต่างๆเราจะไม่ทําผิด <สะ S 1> ไม่ใช่ตายเน่าเข้าลงนะครับค <สะ S 1> ือตายแล้วคนไม่มีควมรู้สึกในตัวแบบําพูดทุกที่ผิดๆก็มันเน่าเหมือนอมันเน่ามัเหมือนคือมันเป็นของที่ไม่ดีดดนี่แหละ เนี่ยนี่มัตคือมันต้องเป็นี้ครับนี่งันเล็กจี้เป็นนามธรรมนะครับผมก็ได้เรื่องจิต ใ, ใจอะไนี้ยมีนิดตอนนี้คนอื่น ม, มองไม่เห็นแต่เห็นได้เฉพาะตัวเราครับกาลังเราทําการทํางานไม่ต้องอาส ต, ติมากําหนดทางลึกงายภายนอกให้มากนะครับตอนนี้ค ต้อเคยดูจ <Harriet. S 1> ิตใจที่มันกล้ากดด้วยมันเคลื่อนไหวเหมือนกันกับร่างกายภายนอกจิตใจนี่ก็เหมือนกันหมายถึงอารมณ์รว่าทาคิดที่มันคมามคิดมันเป็นอารมณ์นะครความรู้สึกความรู้สึกมันเป็นอารมณ์ไม่ว่าทำอารมณ์กิดกับใจนะครับทำอารมณ์คิดตายเห็น รูปสวยไม่สนใจด้วยครับบาเหย่างเป็นอารมณ์เข้ามาเนี่ยพ <ฮะ S 1> อใจไม่พอใจให่ดูที่ตรงนี้สิออ<ะ>เอาเอาความรู้สึกที่จะพอใจหรือไม่พอใจนั้นแหะเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นมินิเป็นมินิเป็นมีนี้ที่เราจะสำรวจรูล้ลงไปขบับดูลงไปเฝ้าดูตรงนี้ขับ ใ, ใ, ให้รู้สิดตัว <ฮะ S 1> อ๋อเอ้ยมันพอใจไม่พอใจพอใจแปลว่าอะไรพอใจแปลโมหะโอ้ความพอใจจะมีโมหะคืามไม่พอใจเลยก็มีโมหะ เือนจิตใจของเรามันเป็นจกติอยู่เลยที่ไม่ปกตินี่ครับหรือว่ามีอะไรคือจิตกระตุก็คือโมหะเข้ามาทํางานเขามาครอบงำจิตใจจิตใจหรือชีวิของเราหรือว่าอะไรครับมันสุดยากเพราะไม่มีตัวตนนะครับมันเป็นจกติเหมือนกับน้ำเอามาเปรีอบเทียบกันี่พอได้ครับสในน้ำในครูในคองกับน้ําำฝนน้ํากันน้ําในบ่อ คมจนมากผมเคยถามน้ำห้องสะอาดไหมเขาบอกว่าไม่สะอาดืล้ถามน้ากันสะอาดไมมสะอาดแลถามน้ำฝนสะอาดไหมสะดไม่สะอาดเท่าไหร่ก็ดีกว่าน้ำห้องแล้นั่เจยาพญาน้ำทะเลสะอาดไหมไม่สะอาดแต่ควรซึมน้ํา่นน่ะมันสะอาดเลยครับที่ไม่สะอาดไม่ใช่น้ำอ๋อคราบว่าเนี่ยตัวน้ำแท้ๆหรือว่าธรรมชาติแท้ๆนี่บ มันสะก็มันสะอาทั้งมนไม่ใช่แลไม่ใช่น้ำมันเป็นปูอื่นช่น้ำเป็นของข้าพเาแล้วจเห็นได้ง่ายอย่างเช่นน้ำอาดเอาน้ำแดงเข้ามามันก็มีสีแดงขึ้นมาเอาน้ดก็มีสีดำขึ้นมาเอาน้อะไรหรือว่าน้ำสีก็ไม่ใชน้านะครับมาผสมกับน้ำเป็นสีอันนั้นเลยเะชีวของเราก็เหมือนกันนะครับ ต, ตัวสีวิตตัวจิตใจของเราจริงๆมันมันเป็นปกติมันสะอาดมันก็อย่างมันต้องาอู่แล้วนี่พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่เห็นอันนี้เ่ยแต่นี่มีนิดในทางพุทธศาสนาถ้าเราไม่เห็นอันนี้เลยเราเห็นเรามีเราเป็นเราเข้าใจสิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาันไม่เคยชีวิตอองเราความพอใจมันเป็นเพื่อความไม่พอใจมันเป็นทุก ตอนที่จะพอใจไม่พอใจเพราะมีคนหลงอันนี้แหละคนประจิตมีนิติตต์ไม่ลู้จริงเพเลยจะเอาอันนั้นมาเป็นมีมิติวัตต์นี่มันเป็นอะไรเอาใจครับอันนี้เรยว่ามีมิติจะต้องหมายถึงว่าเอาอยู่ที่ตัวเราเขาคิดตัวเราถ้าเป็นภายนอกก็เรียกว่าร่างกายให้ดูเรื่องร่างกายเป็นมิติร่างกายครับถ้าภายในอารมณ์จิตใจก็ให้ดูกําหนดรู้นยอันนั้นอันนั้นก็เรียกว่า ตามได้ทำวิปัสสนาหรือว่าเห็นแฉ่งใช่ไหมครับแฉ้งเห็นแฉงเนี่ไม่ใช่ว่าไปเห็นพระพุทธเจ้า ไ, ไม่ใช่ว่าไปเห็นจิตใจคนอื่นไม่ใช่ว่าเป็นไปเห็น เ, เ, เออเทวดาหรือาเห็นเลขหวยเลขเบอะไรคำนอง น, นั้นแ่ะครับอันนั้นมันเป็นคนทิกของคนหลงอ<ะ>ันไม่ใช่เห็นอย่างนั้นอันนั้นคื<ะ>คนหลงคนหลงผิดไม่รู้จริงถ้าพูดตามตำรานะครับเพราะว่าทผิดถ้าถ้าผิดอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่า ไม่ใช่เหตุผลนมันมีในตัวนังสือะว่าพโโโโูดพูดเป็นตลิบมนุษยรร์รทำคือทำอันยิ่งของมนุษย์ไม่มีในตัวเพราะว่าเป็นธรรมบาติ ด, ด้วยนะว่เพราะว่าใครทําไม่ได้นะถ้าทําได้แต่ยังทํานทำมาดูที่คุณถ้าสมบุกคุณนะแล้วคุณมองเห็นจิตใจผลถ้าเป็นคิดแบบด่าคุณตะโกคุณคุณจะมองเห็นนะแต่ไม่เห็นเลยเพราะมันไม่เห็นเนี่ยเด็ก ตัวของผนเองจะรู้ตัวของผมจะมามองเห็นจิตใจผร้อมทำไมผมเคยพูดเรื่องนี้ครับอาจารย์ที่เคยสอนกรรมฐานผมแต่ท่านสามารถมองเห็นคนนั้นคนนี้บอกคนนั้นจะมาเวลาเท่านั้นเองผมก็เลยนม่อาจารย์ไม่เป็นบ้าหรือพูดอย่างนั้นก็ท่านเคยสอนกรรมฐานแต่ปากท่านก็ย่ำคํานมาแล้วธรรมะเรียนมากเลยที่อาจารย์นี่บ้าเพึ่งนี่หว่าคนตายเพิ่ง เป็นใจเแี่เห็นมิจฉานี่ท่านไม่รู้จักเลยครับทำไมเป็นาพราะเห็วนว่ามิจฉาครับม่าในใจไม่รู้เล่นไม่เห็นไม่เห็นผมก็พูดสมุดสมุดให้ท่านา<ๆ>เชิญใสเต็ใจสมกลองดูคร<ๆ>ลองอาจารย์พอดีนานๆเขาก็บอกว่าอาจารย์แต่ว่าการเที่ยวมาบุรีเนี่ยพุทธจาท่านนั้นมีเป็นนที่เล็ดมันจะเป็นที่เล็ดทาไมท่านอ้าวแล้วอาจารย์นี่มันโง่ถึงขนาดนี้แล้วมัสอนให้เราสลัด ทำไมเราจะตลาดไปทไมสมัยเราเปินเนรธรรมดาอยู่แบบคนโง่ต้องโง่อย่างนี้อยู่ในคงตลาดต้องตลาดอ ย, าาดอยา่งางน้เทนเลยสลในิในใจก็จะเนรตัวก็จะเนรมาทีนี้ก็เรื่องสรรมถะที่ปสนาเนีครับหลวงพ่อเพื่อทิบบสั้าคำว่า <c oughs> สรรมถะมันต้องเข้าปา่าเข้าดงไปนั่งอยู่คนเดียวในถ้ำ <c oughs> ในเข่เงนี่ยังไงก็ต้องอดขา้าทั้องอะไรเข้าทานสิวันบางเดือนหนึ่งบางอ่านถ โอ้เไม่เข้าใจครับเขมเข้าใจเดินเดินผมก็เข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันที่ผมทํากับที่อาจารย์ที่ว่าอาจารย์ที่สมนึกในใจนีะครับ่นึกในใจอาจารย์มีงงตาเนี่ยคนไม่เข้าใจครับตาก็หมายถึงตาลงพงไพ่แบบุดเข้าไปในถ้ำไปในตาลึกๆอันนี้เปิดคนไม่เข้าใจครับแต่สมัยนั้นสมกฐาเหมือนแคร์ตาหมายถึงคนยุง่งคนพะ แต่เราต้องพยายามมาดูจิตใจที่กําลังยุ่งกําลังเหวี่ยหมายถึงจิตใจเราหมายถึงการวุ่นวายน่ตาไหนมันร้อวยวังนี่นะตาหมายไม่ยังไเออน่ยตาที่ตรงนี้เราต้องพยายมที่ผมเคยได้ยินกับคุณธระารมว่าทางตาอย่าตัดคนไม้นี่แล้วก็ฟังคำเรียกเท่นี้ก็พอถ้าเคยมีสัญญานะครับท่านหมายถึงคนโงโ่นเองหมายถึงจิตใจมันมืดเป็นปูรานเขาแสนลูกสอนหลานนะครับ ไม่อเหมือนกับพวกเรานี่ยนะพาลูกพาหลานเข้าไปแม่ว่าเขจับดอกไม้มั่งเอฟมั่งเทอนมั่งแต่คนสมัยนี้ก็จับไปเหมือนกันแต่เขาทำกันไปอย่างเพื่อปูปูตาต่าอย่างนั้นเขาทําขาทำตามกันมาไม่มีควหมายเลยเขาตรงนี้แต่ถ้าพูดอย่างนี้คขาไม่ได้นะครับพูดสำหรับพวกเราได้เป็นอย่างนั้นถ้าจับดอกไม้ไปเมื่ออาดอกไม้ปูชาในพระพุทธรูปเนี่ย ทนก็ไม่ได้มีหอมแล้วท่านก็ไม่ได้มีเหมือนว่าสวยงามเพราะตาท่านก็ไม่ไม่รู้เดินไปไหนดังท่านก็จันเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เป็นโบราณถามว่าดอกไม้ตะกุกาหนูสวยไหมดอกไม้สวยก็ท่านทาติดใจให้มสวยอย่างนี้หนูไปไหนมาไหนจะเป็นหน้าดูหน้าสมอย่างนี้เมื่อจุดเทืกลงไปเทือกหอมมื่อหอมดังพระพุทธลูกท่านจันเปิดปุ่ม ทำกายลาจาใจของหนูให้มันหอนโหม่ันเลยแล้วมันจะเป็นเรื่องแล้วจุดเทียนลงไปเป็นยังไงหนูสว่างสว่างถ้าเดินกลางคืนถ้าไม่จุดไฟมันเึิดเต็มทุกห้องท่านสอนวันนี้คนมีตาสองตามีหูสหูการดูเขาต้องมีตาของตาจุดเทียนสองเล่มไปเนีต้องมีปัญญาดูการทําของเขาหูสองหูฟังคํำพูดของเขาจุดถูกหนูต้องคิด นือมันเป็นอย่างนั้นคันเรื่องสมถะกรรมฐานมันอยู่อย่างนี้กัโดยวัดคันแรกต้องสอนเด็กบิดัาเนี่ยมันจะเบิดติเข้าตาในสมัน hmm. ี poet, ้โอ uh ้โหถ้ารรมฐาต้องเข้าปีสิบปีบดเข้าตาก็ดืออันนี้เป็นวิธีของคนเบิดเบิดคมมือป่ยาตายายสอนจริงนะคุณครับเมื่เราเริยนสมถะกรรมฐานแั้ที่หลวพว่าให้รู้ให้เข้าใจอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เราก็วิจารนานี่ครับมันก็คล้ายๆกัน แต่ใครขายแบ้าถึงทำกันนะแบบเดียวกันหมดธรรมะสมาธิกเหมือนกันสมาธาก็เหมือนกันวิปัสสณาก็เหมือนกันคือเป็นั่งลับตาอลไกันมองที่ต้องตาเพ่านั้นในหลวงศุลงไม่เข้าใจแต่ถ้าใครที่หลวงพ่อได้อธิบายมานี้ยถ้าทีผมเข้าใจหรือว่าคิดว่าญาติโยมต้องเข้าใจตามคาพูดของหลวงพ่อถ้าหาว่าเข้าใจเรื่องบุญจริงๆในพุทธศาสนาจริงๆก็ต้องเข้าใจหมด่สมาธิปัญญาก็ต้องเข้าใจหมดเข้าใจหมดหรือว่าเข้าใจปฏิบัติถูกต้องใช่ อันน <Course. S 1> <ๆ>ี้แต่ว่าเข้าใจของจริงส่วนไม่เข้าใจก็ต้องทําไปอย่างนั้นแหละทำไปอย่างนั้นลำตัวมาที่กางนั่งอย่างนั้นทำอย่างนั้นกรรมฐาก็ต่างนี้ก็ฝ่าไปอยู่คนเรื่อนิพพานชนะก็ต่างไปเห็นติดเห็นใจคนอื่นตฝังไปเห็นเลยเห็นหวเห็นเด้ออะไรอย่นั้นเดี๋ยว่าไม่เข้าใจหรือว่าไม่ถูกใช่ไหมครับก็ถูกของเขามันไม่ถูกในทางพุทธศาสนามันไม่ถูกคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันถูกของเขาคือคนเโง่มันต้องถูกอย่างนั้น ผมมุดเอาของดูให้ไม่เอานอปคนทุกวันเนี่ย<ช>ผมก<ช>็เคยเจอมาเหมือนกัน<ช><ช>ถ้าเอาของปลอมให้ไอ้ทันทีเป็นสมัยนี้มีผ้าเคาเรื่รองแขนคอสัดสิแขนพอแล้วเขาล้มันขังเป็นยิงไม่ออกมือทาฟันไม่ไเข้าเขาเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจึงมันไม่เป็นอย่างนั้นเนสมัยนี้มันไม่เข้าใจเพราะเป็นยจ่งไม่ออกนั่นะต า, ามคงเข้าใจนะอาตมาเคยพูดอย่างนี้เมื่อเขาดินกันแล้วคนจะออกไห ออกไปทางเสียงูนไปไม่ได้อันตรายมันนี้ก็สอนอย่างนี้ครับ น, นี่ชาปันไม่เข้าเขากันเขาแทงกันคนอยากเข้าไปเข้าไปถึงแม้เขาจะจันเราเขาจะแทงเราอันนี้ันไม่เขา้าจริงๆแทงไม่ออกจริงๆไม่เหมือ น, นกับคนที่ไม่เข้าใจคนที่ทําตะกุดและเหลือนขายเนี่ยเขาไม่เขา้าใจเขาถ้าพูดเป็นตขเขาเป็นคนหลอกลวงว่ะ เขาเลือกลวงให้คนมันง้เข้าไปคนตายวะเขาเอาเนี้ยตัดสูญกันมีแต่นนแตผ้าเสื้อแขนคออย่างมากๆเลยอันนี้มันไม่ใช่ของจริงของจริงคนทีน้นก็ต้องเชื่ออย่างนั้นและคนที่มีปัญญาอย่างที่อาตมาหรือผมพูดนี้ว่าโยจัคมาโมหามาราปะโทท่านพระองค์ใดมีพระปัญญาจักสก ข, ขจัดมนุิน์คือโมหาเสือแล้วคนมีปัญญาต้อง กำจัดควรเหลืองออกไปได้สานังว่าพระโคสุขติบุตแต่่าชพระพุดยเจ้าตัดสลีแท็กเบยทะาอนเอนมารักษะปาสาวิธงมวยเะัินโตกาเตศมังสนตังยินเลยอย่างทรงเครื่องสึ่งหนุงคนอันเป็นเลยในจากบวงแห่งนามืห้ถึงคนเสิ่าอย่างเรืนี้พระเงนี้มันให้สุดนั้วนะเลิกเถิดข้าไปสุดเดะออกัง เอาเหรือนนะเนี่ยเอาพระนะก็ต้องเสื่กให้เมื่อให้เหรือนให้พระธรรมดาโยมก็เติม อ, อกเตนไใจก็ต้องให้กระตางทา น, นัาง่งไม่เป็นยังไงแต่เราไม่เข้าใจนะจริงนะตอนนี้จริงไมมโยมเออนี่มันจนอย่างไงใช่ว่าอันนี้แหละปัญหาที่พวกเราได้ทําเสืองเราตดภาพยาซึ่งไปอาศัยภาพภายนอกภาพภายนอกมันเป็นอุดเป็นปูน มันไม่เห็นตัวการเห็นยายรือจะไปไหนมาไหนเขาลำบากถ้าวางลงหลุดมือเราไปตึกประเทศดินก็หักกระแตมันมันไม่เหมือนกับที่เราให้เราเป็นพระได้